ท่านส่ที่ครบรอค่ะเรามากราบน้ำสการพระอาจารย์พบุร์นพิปุรโนกันในเวลาช่วงต่อไปนะคะเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะค่ะกราบน้ำสการกันตั้งคะเจริญบา น, บนค่ะถามอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะทําไมต้องใช้คําว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดอ๋อเพราะว่าอันนี้เป็นพุทธวจนะที่พระเจ้าได้ปรารภเหตุว่าถ้าบุคลบคลใดเสียบุคคลในบุคคลหนึ่งเนี่ยนะเข้าไปหาสมณะเอาทีละขั้นตอนกัน ขั้นตอนแรกเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าการเข้าใกล้สัมมนเนี่ยเป็นมงคลอย่างยิ่งในการเข้าใกล้สมัมมนาคือไม่ใช่ว่าเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ดูหน้ากันแฮปปี้แฮปปแล้วก็เพ่นอย่างเงี้ไม่ใช่องั้นนะ uh huh. แต่ขั้นตอนพอเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วทําทอะไรนะก็ถามปัญหาที่เรายังมีความสงสัยกันอยู่นะ uh huh. เช่นว่าจิตควรจะดํารงไว้อย่างไรสังขารเป็นยังไงอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นคําถามที่เราถามถามที่เราสงสัยนะเสร็จแล้วพุทธเจ้าบอกว่าก็จะทําให้สามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดขึ้นมาได้ ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยมีอย่างต่างๆก็จะบรรเทาลงไปนะตรงนี้ก็จะเป็นาการสากฉาลักษณะนี้เป็นลักษณะของการสากฉาคือการพูดคุยถามตอบกันอย่างนี้นะเป็น conversation เป็นการสนทนาโต้อตอบกันก็จะเป็นเหตุทําให้มีสมาธิได้แล้วก็ทําให้ใคลายความสงสัยไปได้นะเปิดธรรมที่ถูกปิดไดนะ้เหมือนกับเวลาเรา ไปไหนมืดมืดมีคนจุดไฟไว้เนี่ยโอ้โหแม่สบายใจจุดไฟไว้ในที่มืดเนี่ยเผื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปลักษณะนี้จึงจึงเป็นที่มาของช่วงนี้ที่เราเรียกว่ า, เ, าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะแต่รู้ว่าก็มีให้ท่านฟังประดางก็ถามได้ใช่ไหมคุณยมตสีมีคถามก็ถามได้ธรรมาก็พยายามที่จะไปคน้นคว้าหาข้อมูลในพุทธวจนะมาตอบให้อย่างเงี้ยค่ะแต่เท่ากับว่าท่านกําลังให้ความรู้อีกอย่า ง, งว่า การเข้าใกล้สมณะนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่หมายความว่าเมื่อไปใกล้สมณะแล้วต้องปฏิบัติในสิ่งที่ถูกก็คือควรจะไปสนทนาธรรมถูกต้องกต้งท่านคะถ้าเกิดตามคนทั่วๆไปส่วนใหญ่เวลาไปหาพระเนี่ยบางคนไปตระเวนเพราะมีความเชื่อนะคะว่าไปพบพระอริยะแล้วดีก็สันนิษฐานหรือว่าพูดต่ อ, ตอกันมาว่าพระรูปนี้เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วบางคนพไปถึงปุ๊บ ส่วนใหญ่ก็จะข อ, อนะมนทรหน่อยอขอของดีหน่อยเป่าหัวให้หน่อยอะไรอย่าเงี้ยค่ะอพอได้ไหมคะไปหายอย่างนี้ใช่แบบเดียวกันกับที่พระพุธองตรัสไว้หรือไม่อย่างไนะคางคะเอาทีละขั้นตอนพระพุทธเาพูดถึงหลักของเรื่องกรรมนะกรรมคือการกระทรําใครกระทำคือเรากระทรํำนะเรากระทําเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องให้คนอื่นมากระทําเนี่ยอันนี้แตงว่าไม่ค่อยถูกหลักของพระุทธเจ้าล่ะแต่ถ้าให้เขาจะต้องมา เ, เค้กหัวเป่ามนเอาน้ำมนให้เราอย่างเงี้ยอันนี้จะไม่ค่อยถูกแต่สิ่งที่ถูกคือยังไงนะคือไปเหมือนกันนําไปเสร็จแล้วเราไปถวายทานอย่างเงี้ยใครทําเธอทำนะคือคือหมายถึงตัวเราเนี่ยผู้ที่ไปหาเนี่ยเป็นผู้กระทำนะเพราะเราเป็นผู้ให้ใช่ไหมเราเป็นผู้ถามเราเป็นผู้ที่จะสร้างสร้างบุญจากบุคคล น, นี้คือหมายว่าสมณะเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญใช่ไหมเพราะฉะนั้นบุญที่จะเกิดได้หลายทางบุญเกิดจากการให้ก็ได้บุญคือปัญญาเกิดจากการที่เราถามปัญหาก็ได้ ในหรือใครความสงสัยในเรื่องของศีอย่างเงี้ยก็จะเป็นทางมาแห่งบุญทั้งสิ้นเลยแล้วเนี้ยถึงจะถูกหลักของเรื่องของกรรมว่าเออเราพึ่งตนนะเราพึ่งทํานะฉันพึ่งตนคือการที่ฉันกระทําเองนะโดยมีเนื้อนาเนี่ยคุณคุณยมติ๋วเคยเห็นคนทํานาใช่ไหมค่ะเขาจะต้องปักนาไอเขาเรียกว่าปักข้าวกล้าดํากล้าอ<ำ>่ดําดํานาเนี่ยช่วงช่วงเนี้ยที่อีสานเขาก็ทํานากันะนะดําข้าวกล้าลงไปถึงจะให้ผลผลิตออกมา ทีนี้นาแต่ละประเภทเนี่ยมันให้ผลผลิตไม่เท่ากันพระพุทธเจ้าพูดถึงอริยสาวกในธรรมวินัยเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญนะสมมุติเราเราไปเจอเนื้อนาบุญอย่างนี้คุณทำยังไงโอ้โหคุณอยาให้พลาดเลยนะ อ, อต้องให้ทั้งให้ทานต้องทั้งถามปัญหาต้องคุยธรรมะต้องคุยเรื่องศีลเรื่องสมาธิมีข้อแก้ไขอะไรยังไงเนี่เป็นทางมาแห่งบุญตั้งสิน่นเพราะว่าบุคคลอย่างเช่นว่าเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเจอได้ทุกวัน ถ้าสมมติเรามีข้อมูลที่มาถูกต้องนะถ้าไม่ถูกนี่ก็ยกไว้ก่อนเลยยกไว้ก่อนเลยแต่ถ้าถูกเนี่ยก็ไม่ได้เจอได้ทุกวันไม่ได้เจอได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องรีบฉกชวยโอกาสในการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการให้ก็ตามด้วยการถามคําถามก็ตามพวกเนี้จะเป็นจะเป็นการทั้งสร้างปัญญาสร้างศีลด้วยค่ะแล้วก็การอยู่ใกล้ทางวิทยุและถามทางวิทยุคงพอได้นะคะท่านอาจได้เพราะว่าเด็กลังจะกลาบเรีนถามคําถามธรรมะซะเลยเทคโนโลยีมาขนาดนี้แล้วได้อยู่ จะกล่าวต้องราชการถามว่าจิตอย่างกับถ้าเป็นทางโลกเราจะได้ยินคําพูดต่งตางๆนานาหรือว่าอย่างกับในบทกวีที่ว่าจิตมนุษย์นี้ซ้ายยากแท้อย่างถึงนะค ะ, ะสําหรับทางพระพุทธศาสนาจิตนี่เป็นลักษณะลึกๆอย่างนี้ไหมคะเพราะดูเหมือนกับว่าถ้าแปลอย่างนี้แปล ว, ว่าจิตมนุษย์นี่ลึกนะอืมมันมีอยู่สองกรณีโยมติวกรณีแรกนี่คือถามว่าจิตใครจิตเราหรือว่าจิตคนอื่น นะคือเอาเอาิตของเราก่อนนะคือคนที่ยังจิตฟุ้งซ่านไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยจิตตัวเองก็ยังอย่างไม่ถึงด้วยซ้านะเอาแค่ว่าบางคนเนี่ยนะยืน่นยื่นมือออกไปเช็คแฮงกับอีกคนหนึ่งเห็นเขาใส่นาฬิกาเรือนนี้๊ยก็เลยทําให้เราคิดถึงานาฬิกาในลักษณะเดียวกันที่เป็นใหญ่ๆมืนกันแต่ไม่เหมือนกันเป๊ะนั่นที่เราเคยซื้อมาให้พ่อพ่อก็คิดถึงตอนที่ว่าพ่อเคยพูดอย่างนี้เรื่องนี้มาทําให้เราดีใจนะจิตเราวิ่งไปนู่นนี่แล้ว ในระหมาทที่เช็คแฮนด์แค่เนียงนะเราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำนะตรงนี้คือบางคนเนี่ยเป็นอย่างนี้ด้วยจากความที่เขาฟุ้งซ่านนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าจิตตัวเองบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้าถ้าคุณไม่ได้รับการฝึกจิตนะอันนี้คือกรณีที่1นทีนี้กรณีที่2ว่าจิตคนอื่นล่ะ นะครับเอากรณีที่หนึงก่อนนะทีนี้จิตเราเนี่ยพอเราไม่รู้จะเกิดปัญหาละเราจะไม่สามารถควบคุมจิตของเราได้จะคิดจะไม่คิดจะหยุดจะนิ่งจะแก้ปัญหาอะไรมันทําได้ยากนะจึงต้องมีการฝึกจิตนะฝึกจิตให้ยังไงให้มันนิ่งนะให้มันคิดสิ่งที่คิดได้ไม่ต้องคิดสิ่งที่ไม่ต้องคิดได้อันนี้คือกรณีของจิตเราเองนะถ้าในบทกรณนนี้เขาพูดถึงจิตคนอื่นล่ะนะถ้าจิตคนอื่นนี่เราจะไปรู้ได้งไงอะ่ะมันไม่ได้เป็นหน้าหนังสือมาให้อ่านนะบางคนจะบอกว่าเหมือนกับ หน้าต่างของใจอยู่ที่ดวงตาเนี่ยแล้วแต่คนตาบอด<ห>เราจะไปรู้จิตเขาได้ยังไงมันก็จะไม่ใช่ทุกเคสมันก็จะไม่เป็นอาการลิโกแต่คำสองพระเชาตเนี่ยเป็นอาการลิโกตรงที่ว่ า, าจิตของคนอื่นเนี่ยเราเราไปรู้ไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องรู้แต่เพราะนั้นสำหรับคนมีเครื่องรู้เนี่ยมันก็รู้ได้เขหม อ, อย่างอย่างเช่นว่าครื่งวิทยเนี่ยนะที่มาตามบ้านของท่านผู้ฟังหรือบ้านยำติวเนี่ยนะ ถ้าเราไม่เอาวิทยุมาเปิดเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามันมีคลื่นวิทยุอยู่ต่อหน้าเราเด็จกจนกระทั่งเราเอาวิทยุมาตั้งหน้าเราแล้วเปิดเปิดแล้วเราได้ยินเสียงมาอ่าใช่ละมีคลื่นวิทยุอยู่ตรงนี้เอ่อบางทีเราไม่ได้เห็นได้ด้วยตาในบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้รับรู้ได้ด้วยตาเ่ยอย่างเช่นอุตาะยุอย่างเ อ, อ, อย่างเงี้ยเปิดเปิดแอร์คอนดิ i ชันนิ่งเนี่ยเปิดเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะ บางคนไม่ได้ต้องมองเครื่องปรับอากาศหรอกว่ามันทํางานหรือมันมีอยู่ไหมแค่แเรารับรู้ว่าอ๋อห้องนี้มันเย็ น, นแสดงว่าน่าจะมีเครื่องปรับอากาศนะคืออย่างแมลงอย่างเงี้ยเราไม่ต้องรู้หรอกว่ามันมีตัวแต่เราได้ยินเสียงมันเราก็รู้ความมีอยู่เป็นอยู่ของมันเช่นเดียว ก, กันกับจิตเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหมือนกับหนังสือมาให้เราอ่านเห็นด้วยด้วยตาแต่มันเป็นสิ่งที่เราจะรู้ได้ด้วยใจเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยอะไรที่จะทําให้เราไปรู้จิตของคนอื่นได้นี่พูดถึงจิตของคนอื่นนะ นะถ้าคุณไม่มีเหตุเหล่านี้คุณก็จะไม่ทราบทีนี้มันมี2วิธีนะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าวิธีหนึ่งนี้ไม่ควรทำวิธีแรกก็คือพวกมายากลต่างๆนะอย่างสมมุติบางคนเขาเขาเอาเอาไพ่คุณโยมติ๋วเลือกคุณโยมติ๋วก็เลือกไพ่สักใบหนึ่งสุดท้ายเขาถ่ายถูกว่าคุณโยมติ๋วเลือกไพ่อะไรนะนี่ก็รู้ใจคุณโยมติ๋วนะนะครับแต่ลักษณะนี้เป็นลักษณะของมายากลแตนะ่ทีนี้มันมีเหตุอีกอันหนึ่งที่พระเจ้าพูดถึงว่าอันนี้ดีมากก็คือว่าคุณทําสมาธิให้เกิดขึ้น แล้วคุณสามารถอ่านจิตของคนอื่นได้อย่างพริชาเนี่ยเป็นผู้ที่ทําได้เป็นสัพพัญญูรู้หมดทุกอย่างทีนี้ไอาการรู้จิตของคนอื่นเนี่ยมันไ ม, ไม่ใช่ลักษณะว่าเป็นเสียงเข้ามาว่าเขาคิดอย่างนั้นหรือว่าเป็นคําพูดเหมือนในหนังเนี่ยในหนังที่ดารา บ, บางคนเขาอ่านจิตคน อ, อื่นได้น ะ, ะเสียงเอ็โคมาทัางที่หน้าอย่างนิ่งเ อ, ง อ, อ, อ, อมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ ไ, ไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่รู้ได้ด้วยใจนะไม่ได้รู้ได้ดึงหูนะ รู้แบบเหมือนกับเขาคิดอะไรอยู่อย่างนี้ร้อยเปอร์เซนต์เลยมไม่คะ่ะ <laughs> บ, บางครั้งเนี่ยอย <laughs> ่างเช่เข้าใจว่าบางคนก็รู้สึกหวาดหวาดเหมือนกันนะคะเวลาไปเจอพระปฏิบัติก็อาจจะแหมนี่รู้ใจเราหรือเปล่าเนี่ยอืนี่คือโยมเตอยวามาจะบอกให้จะให้คิดไปดีกับพระส์ด้วย <laughs> ะอะไรเงี้ยประธานโทษค่ะคือแม้แต่พระพุทธเจ้าเองไม่ต้องเอาครูบาอาจารย์หรอกะแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปเที่ยวหาอ่านหารู้อย่างนั้นอย่างนี้นะ คือคือหมายความว่าเอ๊ะเราจะรู้ว่าคนนี้คิดอะไรจะงนัไปหาดูคนนี้คิดอะไรคนนั้นคิดอะไรคนนี้อยากได้อะไรเฮยทําไม่ไปเที่ยวหาดูงั้นมันเป็นความฟุ้งซ่านเป็นความวุ่นวายแต่ถ้าไม่ดูถ้าไม่รู้มันไม่ส่งไปแต่นี่พูดถึงพระเจ้าเองเลยนะเพราะว่ารู้หมดอยู่แล้วอะรู้หมดว่าอะไรแตถ้าระดับพระอรหันต์เนี่ยจะรู้หมดเลยว่าสังสารวัฏนี้ไม่มีจุดไหนจุดหนึ่งเลยที่มันจะเที่ยงแตทุกอย่างเหมือนกันหมดในสภาพของความไม่เที่ยงไม่สนใจดีกว่าเพราะไปดูไปมันก็ไม่เทีีี่่ยยยงงอัันนน้้กก็็รูวามมไเท คนทั้นคิดยังไงก็ไม่เที่ยงก็ก็จะไปรู้ทำไมน้ําเหนื่อยเปล่าๆค่ะดังนั้นถ้าจะกล่าวโดยสรุปให้ชัดๆอีกทีหนึง่งว่าจิตคืออะไรและเราควรจะดำเนินการอย่างไรควรจะเข้าใจให้ถูกกว่าที่เคยเข้าใจผิดๆกันมาเยอะๆอย่างไรภายในเวลาของวันนี้ให้เข้าใจ จิตของพระพุทธองค์โดยรอบอย่างนี้ได้ไหมคะจิตที่พระพุทธองค์สอนใช้คำนี้ดีกว่าค่ะใชเ่เราควรจะเข้าใจว่าจิตเนี่ยเป็นจิตประพุทสอนนะเป็นจิตที่ดีเป็นจิตที่งามเป็นจิตที่สว่างเป็นจิตที่ดีนะแล้วก็แต่ว่ามันอาจจะเปื้อนปอนอะไรสิ่งต่างๆได้ถ้าเราไม่คอยระวังกิเลส ท, ที่เป็นอ า, า ก, การตุกัจรมาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีความเข้าใจให้ถูกต้องก็คือว่าไอสิ่งที่มันเปื้อนๆ อ, อยู่ในจิตของเราคิดดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยเราเอาออกได้ เราออกได้ด้วยการเพียรปฏิบัติในเรื่องของอริยมรรคมีองค์แแล้วจิตนี่ต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีอำนาจสูงมากนะถ้าเราฝึกจิตของเราให้ดีๆเนี่ยเราจะต้องคอยควบคุมจิตของเราให้ได้ให้เราเป็นผู้มีอำนาจเหนือจิตอย่าให้จิตของเรามามีอำนาจเหนือเรานะเราทำอย่างนี้อยู่ปฏิบัติตามมรรคฝึกสมาธิไปด้วยนะเราก็จะทาให้จิตของเราให้มีอานาจตรงนี้ได้ บางคนอาจจะยังเข้าใจอยู่นะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยคับจิตตัวเองได้มีอำนาจเหนือจิตแล้วโดยไม่ต้องฝึกมีไม่คะคนที่ไม่ต้องฝึกเลยแล้วก็มีอำนาจเหนือจิตได้ตรงนี้มันอยู่ที่อินทรีย์ของแต่ละคนอินทะรีย์เนี่ยหมายถึงความแก่กล้าของจิตของดวงนั้นนะก็วัดที่ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาณนะว่าที่5อย่างนี้ถ้ามันสูงเนี่ยแสดงว่าจิตวุญก็มีอานาจมาก ทีนี้ฝึกหรือไม่ฝึกเนี่ยมันอยู่ที่ว่าอินทรีย์มันดีขนาดไหนบางคนฝึกนิดเดียวก็เป็นเลยบางคนต้องฝึกนานๆเป็นปีกว่าจะเป็นแต่บางคนมีพรสวรรค์ฝึกนิดหน่อยก็ได้เงี้ยมันก็แล้วแต่ทีนี้ไอ้เวลาฝึกจิตของเราที่พูดถึงว่าให้เราทำยังไงให้เราควบคุมจิตของเราได้นี่น ะ, ะคือสมาธินี่แหละจะเป็นตัวช่วยได้ค่ะแต่เมรุนีพอพูดถึงควบคุมจิตของตัวได้ บางคนบอกแนมะ่ที่ฟังมาตั้งนานะอยากควบคุมจิตคนอื่นเฮ้อเ <laughs> เป็นไปได้ไหมคะท <laughs> ่านคะการควบคุมจิตคนอื่นนี่สามารถทําได้ในระดับหนึ่งนะสมมติเราทําความดีะสมมติอาตมาทำความดีนะมมคดนะคอื่นเขาทําทด้วยเอา้าอย่างนี้แสดงว่าเราลักษณะว่าเราควบคุมจิตคนอื่นเหมือนกันนะใช่ไหมในทางพุทธศาสนาเลยค่ะการควบคุมจิตของคนอื่นได้ห ร, หรือหรือการควบคุมจิตของตัวเราเองที่เป็นกุศลค่ะ การควบคุมจิตของตัวเราเองในลักษณะที่เป็นกุศลนี่จะเป็นกุศลค่ะอ่าต้องต้องพูดให้ชัดเจนนิดหนึ่งเพราะว่าอย่างคนคนที่เขาลวงกระเป๋าเขาควบคุมจิตเขาได้นะเป็นสมาธิด้วยตอนนั้นแหละแต่ไปทําไม่ดีอย่างเงี้ยนะค่ะเพราะฉะนั้นะมิจฉาทิฏฐิก็มีมิจฉาสมาทิฏฐิก็มีอ่าสมามิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็จะทําให้เกิดมิจฉาสมาธิอย่างนักขโมรลวงกระเป๋าอย่างเป็นต้นถ้าเรามีสมาทิฏฐิอยู่แล้ว อะไรที่เหลือตามมามันก็จะอยู่ในร่องในรอยได้ค่ะดังนั้นก็เท่ากับว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจุดที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่ามีคุณค่ามากซึ่งพวกเราควรจะได้เห็นน่าจะเป็นตรงที่บอกว่าจิตของพวกเราทุกคนล้วนแต่เป็นประพัดสอนมาก่อนทั้งนั้นใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องมันเป็นตอนไหนกรัท่านคะตอนแ้ออกมาเลยหรือว่าตอนออก่อนจะมาเกิดพอเกิดแล้วมันก็เริ่มเศร้าหมองลงโดยลาดับคะ เป็นตอนนี้แหละเป็นตอนนี้เลยเป็นตอนนี้ใช่เป็นตอนนี้เลยบางคนอายุ14บางคนอายุ40นะคะท่านบางคนอายุ80 <บ>ก็ได้ก็เป็นตอนนี้นะทำไมถึงว่าอย่างนั้น เ, เพราะว่าอย่างสมมุติตอนที่จิตของเราเนี่ยนะเอาเอาอกง่ายๆตอนนี้เลยนะถ้านผู้ฟังมามีสติอยู่ในลมหายใจแล้วความคิดแรงต่างๆเราวางให้หมดแล้วไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิ้นรู้อยู่แต่ลมหายใจอย่างเดียวนะมีอะไรพันก็มาวางมีอะไรความคิดเราอย่าไปสนเสียงอะไรแปบว่าหยุดนิ่งไว้ก่อนนะแค่เนี้ จิตเราเประพัฒสอนแล้วนะก็จะไหมทีนี้เอาทําไมเวลาฟังเสียงมันจิตมันอะไรอย่างเงี้ยมันกวนมีความฟุง้งซ่านอะไรต่างก็ก็ ก, ก, ก็มันไม่ประัฒสอนเพราะเป็นกิเลสที่เป็นอาคตาิตุกาจรมาไงค่ ะ, ะจิตเราประพัฒสอนณนะวินาทีนี้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราเราไม่สามารถสลัดไอ้สิ่งที่มันมากวนได้อะ่ะมันคุณความสามารถไม่ถึงหรือว่าคุณไม่ได้รับการฝึกเพราะนั้นเราจึงจึงต้องทําตรงนี้แล้ว อ, อย่างกับคนที่ฝึกแบบ ท, ที่ท่านมาร์กสอน ตั้งแต่ตอนต้นในการมานานแล้วนะคะเขาได้พบจิตประพัดสอนกันแน่นอนหรือไม่แล้วก็พบตอนไหนบางคนอาจจะฟังอยู่แล้วก็ปฏิเสธไกลๆอยู่ในใจว่าทํำมาอยู่ตั้งงานเจอแต่จิตอะไรดีล่ะคะแต่ไม่ใช่ประพัด <c oughs> <c oughs> สอนนะคะ <c oughs> จิตประพัดสอนเนี่ยบทเพลงชนะที่พระเจ้าใช้ก็คืออย่างเวลาเราเข้าสมาธินะ <c oughs> ่ะพระเจ้าพูดตรงนี้บอกว่าอจิตที่ปราศจากกาม นะ่ไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่อย่างไม่หวันว่นไหวเป็นจิตประภัฒ์สอตรงเนี้ยเดี๋ยตรงนี้คือจิตประภัฒสรแล้วแกให้คุณอยู่ในสมาธิเป็นประภัฒสรละอ๋อไม่ต้องว่าเกิดเซี่ยวนึ่งของจิตใจที่สว่างว่างแสงไฟนั่นแหละ น, นั่นแหละมหัศจรรย์ทีนี้ว่าทําไมมันถึงกลับกําเริบขึ้นมาอีกนะไ อ, <แ>กไอความมึนงงความโกรธความจิตมันกลับกําเริบขึ้นมาตั้งที่ตรงนี้เราประภัฒสอนแล้ว นี่แหละผู้เช่าจึงพูดถึงธรรมที่ไม่กลับกำเริบนี่ยคือนิพพานนั่นเองเรื่องตรงนี้เรามาคุยต่อวันพรุ่งนี้ก็ได้คุณโยมเตียวค่ะ<ม>ก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่พูดเรดื่อยๆไหมกันเรื่องจริงเนี่ยใช่ใช่ไหคะแล้ววันนี้เราก็ใจดีชื้นขึ้นมาว่าออเรานี่จะชื่อสรนสนีก็มีประพัดสอนแหละ<ม>นะคะวันนี้ขอนามส ก, การขอพระคุณท่านอาจารย์พัยบุญไม่อย่างยิ่งเลยค่ะเรีนบาลข้าท่านฝั่งที่ครบค่ะเนี่ยถ้าไม่มีการ สนทนาธรรมนะคะเราก็จะไม่รู้อย่างเด็ดขาดแต่เพราะมีการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะเนี่ยค่ะทำให้เราได้ทราบว่าอ๋อจิตที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาขอให้ทุกคนรู้เลยว่ามันอาจจะคุณมัวในปัจจุบันนี้หรือในขณะไหนยอย่างไรแต่เขามีความเป็นประพัดสอนอยู่ในตัวแล้วก็ไม่มีข้อยกเว้นอยู่ในทุกๆุกคนและท่านสามารถจะทาให้ความประพัสสอนที่มีอยู่และถูกกลบนั้นบังเกิดขึ้นชัดเจน ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าทําหรือไม่ความไม่ประพัดสอนก็มาเกิดตอนที่เป็นปัจจุบันนี้ในขณะที่ความเป็นประพัดสอนก็อาจจะเกิดได้ในปัจจุบันขณะเช่นเดียวกันถ้าดิฉันพูดผิดยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านเพบุบุญคงจะมาเฉลยต่อนะคะแต่ว่าวันนี้หนังสือผู้ทวัจนะค่ะก็จะมาคอยช่วยให้พวกเราได้รับความสว่างกันไปอีกทางหนึ่งวันนี้กราบนมัส ก, การขอบพระคุณท่านอาาเพบุญไปอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ รายการของเราก็จะมาพบกับท่านฟังที่เคารพทุกท่านกันในวันพรุ่งนี้ตีห้าถึงตีห้าครึ่งเช่นเคยรายการชื่อสันสนีสนทนาดำเนินรายการโดยสันสนีนาคพง์พุทธวสวัสดีค่ะ